อิทานิปัสสะสัจวอรหะตสัมมาสัมพุทธัสสอริณิพานิโตภชายะเซวีสัมัสเธอุตระปัญจะเซตาลิสานิโมยังมสเธาานิแอติสันตานิปตุตันนิาวเลเซนะท่านว่าธมมาสัจจา อริยสัตว์มังขินังวาโรเสน a สนะจันทรวาโรโหติเอวังัสสะสุวัตวบริสพนาจัชนายุกาลกันนาสันตสัพพาน สุภาพมาจึงลุจารุตศาสนายุการจำเริ่แต่วันปาริทานองค์สมเด็จพระพุทธมารณะหันใจสมัยสมพรเจนัีเรอง้บัา ตลอดปัจ บ, บันในสมัยฮั่นวายปุมมาตืถึงที่ทยีวันกันวันนี้เช้นปัจจุบันวนันเวลาพระเจาสด็จมาอยูานจันดินแต่วันปริญญาองค์ทรงเลือพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น มีในพระอนุสัมบูรณ์ตชี่ยวพิงกำหนดรัได้ด้วยเาระนมีโมตะตวรหะตัวสัมมาสัมพุทธะนโมตตะตวรหวสัมมาสัมพุทธะนโมตตะตัวว ราหาตุสัมมาสัมพุทเจ้าคัพเวสัตถะไม่สินสิ้าไมัทธังหิสิการสิเองในโอกาสแบบนี้อาสมาถาเสกแสดงพระธรรมเทศนาในความเป็นมาในดีช่วงสำเร็จโดยสัมมาสัมพุทธเจ้าเพ่อเพื่อนสุส่งองค์พระชาวนมี คือวันดาตนิษยราธาระวันดีทั้งหลายสุข้อนใจกันมาบำเพ็ญบุญเสริมยจำพรรคือวันสุดที่ห้าท่าเด็นเอ็ดเมษายนที่ตรงกับวันที่ยี่สิบสองนวาคมสองพันห้าร้อยหสบสามเป็นวันจันทร์การที่บันดาเช่นที่จำเลยสัตทุกท่านสร้งใจมาบำเพ็ญบุญเสริมเา เนื่ยในวันขึ้นท5คห่านี้เพราะว่าไอ้ศายที่รันดาจันพุทธเวริศจันไยมีความส่รัดใสองค์สมเด็จใส่จำใส่ปรมาจารยาจันดาสมมาสมพระเจาคุณทิ์ยเล่หกาการปฏิบัติการแนวคำสั่งสารพระองค์สมเด็จพระโรมโลกผู้ชืขียนในอันดับแรกที่รดาจนพุทธเวริศั้มาในจุดวั บรรดาเจ้พระเจริสกทมีความเคารพในพระไตรปิฎกมาคมในสาเการคือดอกไม้ตุ้งเเทีนตาวรามิตรมาวชาองค์สมเด็จพระธรรมสัมาสัมพุทธเชาเป็นต้นมื่อเยาวาหนึ่งบดาพระเจ้าฉันชตั้งใจสมาทานศีลเทวทานางยิ่งใหญ ท่านสุดท้ายตั้งใจพวงแสดงตั้งใจลงเที่ยวไปสงเสริญพระพุทธเจ้าเพื่อสัมมาอันเป็นธรรมสังสอนองค์สำเร็จสัมมาทัศน์คือเจ้าปัญเหตุการบงพึอย่างนี้องค์สำเร็จพระบรมโลกไปเชื่อกับว่าเป็นมหาคุณ t ือบุญใหญ่ถาบุญบารมีพระมันดาจักรพุทวั์หลายอย่างอ่อนอยู่ อสมเด็จโทรมากูก็ตัสว่าจะได้เกิดอย่างน้อยสุดก็เป็นเบญดาถือกำลังจิตใจอะกล้าจะสามารถจะเป็นตนถ้าจิตมาริยมในมนุษย์เป็นโลกเทวโลกและสัมโลกจาเปนน้าที่ผานกวังได้อืิการที่เบญดาจึงควรบริสุทธิ์อย่างรบางทีจิตผลนี้จึงจับว่าเป็นมหาจเป็นที่พึ่มใหญ่ขึ้นมาจึงควรจะช้าช่วยกันจนแกไ ตอนน่อาตามาพาเป็นนำความาเป็นมาองพระองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสมมารสร้ในอดีตในสมัยที่พระอ ง, ง, งค์ยังทรงเป็นรพระธิั์เพ็ญบรมรีเพ่อพรโพธิญาณแต่ว่าในวันพรก่อนมนันก็ได้กล่าวถึงเรื่องในสมัยองค์สมเด็จพระรมศาสดาสมมาสมา ลาเรื่าพระเจ้าปเสนหนาที่กลบรนาราชเพื่บากใชการยั่วย้าเป็นบันเทิงกัผลว่านักสดงบัดนี้ไปเสียตายจากความเป็นคนภายในจุดวันต่อจนั้มาตัราแกว่าพระเจ้าปเสนหนาที่กศลบรมนาคราชได้มีสาใจมาย้่ราชบริพัอย่างหลายมวอีกเิ่ต้น ในทีสก็ัดชีใจตามแนวทสมเด็ระเาศพลว่า้ลาเดินสาธารณะเพื่อที่พาเดินทางหนึ่งสร้างทางให้การไปชายชนหนึ่งุดน้ำเพื่อที่จะใช้ขบดาชายชชายชนรณหนึ่งก็มีความยัายจีนหนึ่ง เมื่อพระเจ้าพระเวตไ่ที่พระวตปฏิบัการนี้แล้วก็นอนไเวลากายตายสักได้เจ็วันที่หนึ่งก็ไม่ตายเจ็ดวันที่สองก็ไม่ตายเจ็ดวันที่สก็ไม่ตายก็ะนม์อยู่มีไว้ยิงเล่ยสองคนไปพระโตนไปสามเาการว่าทาไมงกันอนันมายิงนจนยิงนโกหกบังคับบอกว่าเราจะตายาในเจ็ดวัน ต่มาเม so, ื say? Say? Right? ่อคนเดินพัฒนาการแ้วก็ปรากฏเจคตการตอบรัว่าที่ไม่ตายเท่าสร้างความดีดีนสาธรโยชน์่นข้ากระถางที่พักคนเดินทางให้คนเดินทางไปเดินทางมาคนร้อยท่้นมีการเหนืยากได้พักเที่วที่อาศัยไม่เห็นสบายใจสบายใจนเพียงแค่นั้นและด้วยการสรางการทำทางให้คนเดินได้เดินสะดวก ารราชาชนโให้เกิดความสุขอันนี้ก็เป็นความสบายใจเป็นอันหนงนใหญ่เป็นหที่สการฝุดบ่อน้ำและสร้างสตรณะนศาสนาเป็นอันหนึ่งอันใหญ่การหิวห้ยน้ำการเตือนเรียนมาเนี่ยน้าไม่ที่อาศัยการปล่อยปะียเพื่าให้ชีวิตนี่ก็เป็นอันหนึ่งอนใหญ่ โดยการบอกว่าเพอรอันอย่างนี้จึงไม่ตายแคสิบไั น, นแล้วก็ยังจะไม่ตายต่อไปหลายวันเนก็หลายเจ็ดหลายสิบเจ็ดหลาย้อยเจ็ดนี้ก็ไม่ตายจนกว่จะถึงอายุไข่คือว่าเทกันตายก่อนทึ่ขึ้นไปถ้านใ้ทศหายควาว่าเป็นการเทวต่ออายุไข่ต่อยุคยคนที่ถือตายใ น, นในระหว่างขั้นกลางของอายุ ก็เรียกจะว่าตาริมมันนะหรับปัจจุบันก็อยาขอเป็นการตัดอายุราะว่ากันาอายุมากเกินไปัดให้น้อยมันจะดีสมอง่าีไงแต่เรามีค a ารู้ว่าองค์สมเด็จพระบรมศา s ดาสัมมาสัมพุทธเจ้ยังทรงพระเยนอยู่ในวันนั้องค์สมเด็จพระบรมศา โลกเก่าจะบรรดาตนพุทธมรรคกับว่าพิจโเวดูกนวิจิตรง่ายไอสัจวคสตาบริชนิมรรนตังหีบีตังคนเราเกิดมาเท่าไรตายหมดเท่านั้นหมายความ่าคนทุกคนในสัตว์ทุกเพอที่เกิดมาแล้วม er. er right. ันก็ต้องตายแล้วต่อมาภายหลังจากนั้นใช่ไหมอีก80ปีองค์สมุทรเาศน์ใส่บริบาลใส่พันดาวสมมาสมุทรเสีย ก็ทรงกระดดเข้าเข้าสู่พนิชานรดับขั้สุดท้ายในตอนนี้ทรกยทธาวัตรอมรินร์ว่าสถาการณ์ทั้งหลายพยายามรวบโวมคาสอนองค์สมเด็จรปการไตรภูมิศาสินามะสมมายจพื่อเลี้างดูเื้อไยากจะทราบว่าองค์สมเด็จไปการไตรภูมิศาสนนาเคยทศน์ไว้ว่าคนที่มีทราอชลในจิตบาตรี คือชั้นพระความพอใจอิทยาความเพียงการจเจบในสิ่งกิจการงานที่สวนหนที่มาราพยายามให้คนจิตใจทำเพื่อส่วนหนึงเสมอแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าใกิจตรื่อนด้านขการปฏิบัติธรรมผู้ที่เข้าจริงจริงเรดับแรกเป็นรดับต้นก็โดยโอ้สดะทกสุดคนรมศาสัาสัมมาสมพุิธจา เ่ื่อท่านดูกทท่านูช่องดูสองลงมาก็คือบรรดาพระอรา ห, ารอหรันต์ั้งหลาเื่อท่านในสองประเทศนี้คือพระพุทเจ้าเป็นดีูพระอหันก็ดีถ้ามีอุิบัญทีโลกทุ่มบริบูรณ์จะบรรลุสุขใจที่เลี้งสมุทรพระอราหันม่ได้แต่ว่าทำไมองค์สมเด็จพระจอมใกรโดยไม่ใสสันดาลไม่เคยกล่าวว่า ผู้ที่คล่องในจิมบะสื่อประเภทนี้สามารถจะดีท้าทนมันอยู่ด้วยับหนึ่งด้วยกันหนึ่งก็ได้แล้วองค์สมเก็จพระจมเกล้าพระมหากับริย์จักรพไรดินิพพานี้ะหวายส ง, ไ, ง, งไม่ส่สีตอนนี้พระอันรัหลายก็มีความสงสัยแต่ว่ารัมดาพระอันรัหลายกนแต่ไปชนิดพายานก็ดี เมืองใดหญิงยาหกก็ดีชายสา3ก็ดีทั้งหลายอ น, นิไม่สไสัยร่มวมหน้าของสีต่างสุยานแต่ว่าน็นหรับกระหังท่านสุขเสวยาัวไม่ต้งสงสเพราะมาดูยามดีเตยยังได้คดิฟาคำเล็งนำเข้าองค์สมเด็จพระบรมโลกไปเชิดในวิสุทธสก พ, พบว่าสมเด็จพระอาายกเองสมเด็จรสมมาสมเด็จ เ, เจเาเ้จเา ตอนท ko ี่จะมีุกหนึ่งกับอย่างที่ากล่าวกันก็จะว่าตามืององสมเด็จพระสุนทรัในกาสดาต้องมีฤกษ์แปดสิบปีเหตุผลจะเปนมาอย่างนี้ตาเมืองสมเด็จพระจุลเนตกล่าวว่าปีเป็นปละดูก่อนที่จะลายในอดีตานทางศาสาคตรสวยโดยข้าจุนหนอพระบรมเพธิสัตว์ บัมเพนบารมีให้เกิดจากองคสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้หลังจากทราบถึงองค์สมเด็จพระพุทมีระเจ้ากัไปหลายพันชเวลานั้นสมเด็จพระเรมะโลกนาถบัเพนบารมีข้าถึงใกล้จนถึงธรบารมีเพราะว่ากายขององค์นี้มีส่นท่เสือมสิในชาอง ในอู่ระหว่างกลางข้าวสองนี่มีรูปงกรดอยู่ด้วยมิสีแในเวลา น, นั้นองค์เสด็จก็ภูมิรู้ว่เจ้าเพเกิดเป็นคนเกิดทำมาหาชีิอยู่ในป่าต่อมาท่านดดายก็ตายเหลือแต่มารดาแต่ผู้เดียวท่นทานก็ปฏิบัติตนเป็นคนในกรบุตรชายก็เนอยู่รูปน้าท้าจูงหัม กหาข้า่กินกินข้าวนเอาหารมาเลี่ยงมันประมานดาเป็นที่รักคือว่าท่านเคนป่าก็จัดซ้อายเข้าป่ายก็เนเช้าจัดมาจนบ่ายเป็นยืนอดหน้าขายกินข้าวไปพวกอาหารสุดแล้วก็นำมาคืนในขายดาได้เงินเท่าใดก็่ามอบเป็นงานดา มันดาวว่าจัดคทั้งหลายเหล่านี้จะหาหายมารีสูกันเพราะนั่นว่าายได้พระองค์สำเร็จกระโทนธรรมบริษัทชันดาวเลา น, นั้นก็น <c oughs> เป็นริการสิดเชีย ม, มากเป้กล่าวว่าในคราวนั้นพระราชามีความลำบากในยักษ์ตนหนึ่งที่เขาเรียกว่าราชสดราชสดนี่ก็มีรภาพเหมือนยักษ์ว่าเป็นยักษ์ที่ในโรในเมืงมองใต้ดิน หน abei, roommate, ้าตัวจะเป็นยักต่ไหลนะทำงานนะถ้าอยู่ในโพลในใต้ด kind of ินมันมีบ่ออยู่เพว่าทางซึ่งจะทำเป็นล uh> ่องขึ mm ้นใางฝูงเป็นงอยู uh ่ใต้ด uh uh ินพราะว่จ้าสตรงนี้ราจะใช้เวลาร็วหน่อยถ้เวลานี้ก็จะเกียวเชือเปนเวลาสิดทั้งกลางเป็นงานเกี่ยวกับักสรวประจันตี เจาราสดตนนี of being of being of being ้ก the ็ขึ้นมาจับคนมาไปกินเป็นอาหารอันอย่างนี้มาถึงเวลาสองสามสี่แลดก็เลยต่อมาพระราชาทราบันดาในชายชนในหลายว่าราดขึ้นมาอะรว่าเจ้าราสดตนนี้ขึ้นมาเป็นเวลาการชี่ว่าคนดูนั้นจะถึงเดือนนั้นวันนั้นนั้นจะถึขึ้นมาจับคนกินเป็นอาหารไม่จับเป็นอาหารเพื่อเป็นการเป็นเรียงกาง ทำอย่างนี้สองสามปีจนไปพี่แน่ใจทุ่ง น, นาไปชายฉนงหลายว่าวันนี้จะไม่สบสู้ขึ้นมาจากคนไดีทียัง้ดูกล่าควคนใราชาสงสารราชาก็ตอบประกาคนที่มีที่มอมีให้ไปสูก้กับราชก็ไปดักอยู่้วยฝากกล่องพ้อราชศกที่จะสิ้นข้าราชศกขึ้นมาก็มีฆ่ า, าราชศกใหต า, า, า, าย แต่ว่าบรรดาบมรนบุรุษทางหลายชาติศพบุคลาิยัก็มีความหยู่ในดวงามีกลังมากถ้าลูกคนั้หลายจะรับ้สาระยาชาจะไดฆ่าราก็กลายเป็นทหารคนร้สัอย่างดีจะร้ายสักหน่หารจิงใจจากคนนั้นหลายที่จะไดฆ่าเขาเขามะนำจับไิสินงเดียว ตอนมาประกาศว่าคนหลายไม่สามารถจะสู้ราชศได้การรัชการท่านใดคนที่มีที่มืทั้งหลายทายโดยขอบเศาไม่ได้จะถางช้าช้าเขาไ่ไจะถานก็มีใครรับอายารเป็อนาจขอราาประาศเระจอง่มามาท่านาจะบริสันต ว่าเราไม่สามารถจะพลาดศพคนได้เพียงใดความเป็นไรชาของเราไม่สามารถจะแงอยู่เพราะเราสามารถให้ความปลอดภัยคนดา้งด้ใสรานี้ช้สินไชาที่ส่งข้อจดจาระคำเต็มดีสุดรักงคนอะไรอันบรนดาไม่ชราจะบารยัหลายเรื่เน ว่าาหารว่าพวกเราไม่สามารถดูค่าล่าเสราจไ้าวชาจะขยาราชสมนัติในคนที่มาใหม่จะดีเข้าองค์นี้หรือจดีก็ยังไม่แน่นะเงปรึษากันว่าจะทาอย่างไรดีเพื่อราชาทรงจะเองลาดต่อไปในที่ประชุมรการตนัว่าทางที่ดีคนดีประการ้งปวงดาวปะชาชหลายประเทศที่มีางสามาร เข้าใจกันว่าพระราชามีบุญญาอย่างนี้แล้วก็มีความดีอย่างนี้้าชันดอนจนที่ไหนทรงก็จนด้วยราชันดอนลําบากที่ไหนทรงก็ทนลําบากด้วยหาทางเพื่อยราชันดอให้ดีที่สพระราชาอย่างนี้เราหาได้ยากถ้าอะไรก็ดีคนรยากาศทูลให้พระองค์ทรงทราบว่าคนในประเทศของเราไม่มีข้าวเหนีอยู่ เขอยู่ดาวไกลไม่เคยขาดเกี่ยวันต่างมีมากมายเราควรจะไปสอดให้เาินดาวไปใช้ชนละหลายที่มีทางสามารถแต่ไม่มีโอกายเข้าเข้าเทราชาเพื่อไปสายฆ่าด้านตกในวิสุทธิเขาจะดูในเวลาชาส่งฆ่าด้วยว่าีการนั้นต่อมาเวราชาก็ส่งคนไปสาด ว่าแค่บุคคลใดสา ม, มารถจะฆ่าราชศกให้ตายได้ในขั้วของการรับอาสาจะมอบทองคำเข้าลูกตักหนักเข้าตัวบุคคนที่รับใบส า, าให้เป็นผลขั้นองให้กห่อนอันนี้สมมติว่าถ้าเปฆ่าครั้งฆ่าศึกฆ่าตายทางบานจะไปใช้ทองคำ น, นี้จัดจ่ายให้สอยเป็นการประโยชน์เพื่อเป็กนการสุขการผูาย ่ถ so so, so ้าหาว่าบุคคลใดถ่าราชสดตายด้วยตัวเองก็ไม่ตายทองคำนั้นก็ได้เงินสิบเหรีวญแต่ไม่เวลารุกกลับมาถึงประเทศเกิดในคอรเช้าราชาจะให้กินมหาสารที่จะมีตำแหน่งรองจากราชาวันนั้นราชากดว่าหนอพระบรมมหาราชพุทธเข้าปาหา ถท่าป่าไปจะเท่าป่าหาปืนเพื่อมาทำเรื่เท่าโดยท่านศักดิ์บ้านกรีเสียงเทศการจะอเมท่าเราจะบริการว่าถ้าบุกเป็นขึ้นไดว่าไปสายข้าร่าสจได้เวลาชายจะบริการต้อนคำหนักลูกเข้าโลภะหนักเท่าตัวคนเท่าอิาเป็นดือนพันแต่ถ้าหาเล่าสดได้จนตายไปแต่ทำนี้ไม่ก็ยังเล่าสดเลย แค่คาดได้เขาจะสอนเราไว้ดูเสเเป็นมหาอุปราชเ่อพระบรมธสคิดว่าเราเป็นลูกของแม่คนเดียวท้าจิ้ันบาดเหามันได้ก็พอจินมบ้างไม่พอินได้มีใมันบาดแตวเรายืนยเส่งชีวิตเราเาตายแต่ห้เดียวให้แม่เด็กนี้กดระทองำลูกพระบุตรนะแ่เรา แม่ก็จะ ก, กินอยู่แบบสบายจะบายแม่ก็ต้องตายท่องทางก็ยังม่หเนื่องแ่พระพาะพระรมโพธิ์ักด์หนดอย่างนี้แล้วจะใหันรับอาาจะรับทองคำมามอบให้แม่ตอนนี้แม่ทักายอย่างหนัไม่อยากจะให้ายายแต่ในที่สุเจ้ัมจะต้องยอมพระศุกรล ง, งเขาแล้วจะนมอบทองคำไม่ให้กับแม่ ตัวเองก็จไปข้าวพระราชาจะอมาที่มาประชดพระคนข้าวไปเข้าวแล้วพระราชาถามนี่ผมต้องการต้องการว่าเธอมีความมั่นแน่ใจว่ามีความสามารถจะฆ่าได้แก้แค้นได้หรือเกาบอกว่าเขามั่นใจแล้วต่อไปพระราชาถามว่าเจ้าต้องการทหารเท่าไหร่ต้องการอาวุธอะไรบ้างมีมามีอกอะไรจะ้าได้ นอ พ, พ, พรบรมโพธิสัก็ตัดว่าไม่ต้องการอะไรทั้งหมดต้องการข้าดินเนสแล้วพระราชาหนักใจไปเลยขคำนันบภาษากามนั้นก็ต้องใส่ใจเขาก็นำไปที่หลงห้อเล่ า, าึ้นให้คยดมายสองวันพระราชาให้ทหารนำมาหารไปเปเพื่อนอาหารดร้โชคเขาก็เลยยตาหลงที่รไร้สดุจิน กอมาไม่ถึงเวลาวันนั้นค right. ือวันกาหนดที่มันจะขึ้นมีเวลาเป็นประจำก็ขึ้นมาพอดีพระราชาขึ้นมาไม่ทันจะพ้นพลังเขหัวก็ามาถึงแปดตัวหนอเระว่าเพ่งโหยมาจะยกข้าวขึ้นมาจะกระพริบจะกระทีิบได้เสด็จพ่อฮัทตายแลสวขึ้นมัน้าขึนมาเห็นนู่ข้าวขึ้นหนอมาจอมใร เราหน่อก็ลงมาคงพลดิสัตว์มีคงจักรในระห ว, ว่างข้ามกลาเช้าก็คิดว่าเรานี้เราตายแม่เราสู้ไม่ได้คนนี้ต้อเป็นหน่อก็ลงมาคงพลจักรกลางระหว่างข้านมีคงจักรชีแมนยังเรียกพลได้ห้ า, หาหวิชาช้าก่อนท่านจะเร่งฆ่าได้ท่านนี้เป็นหน่อก็ลงมาคงพลดิสัตว์ด้ยดสัตว์เป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในนนะ เพราะว่ากท่ากัท่านมีเปจัดเพราะว่ า, าท่านจะฆ่าเราเราก็ตายเพราะว่าท่านฆ่าเราไใ้ไท้ท่านจะมีอายุสั้นถ้าเป็นพระพิกษเจ้าแล้วการธรรมดาพระภิกษเจ้าจะต้องมีอายุถึงหมื่นปีบ้างสองหมื่นปีบ้างถึงสี่หมืนปีบ้างก็มีวิธีการหนึ่งพระพิกษเจ้ า, าจะ ส, ม า, า, สามารถอธิฐานตนให้มีอายุถึงสัปเหร่ก็ได้ หาก่าเป็นข้าเราตายเวลานี้เวลานี้เรามีอายุ60ปีถ้าเขาเล่าข้าเราตายเนื่อเวลานี้เมื่อทำตนเราไม่ได้เจ้าท่านก็ต้องมีอายุ60ปีเท่านั้นกายกาเพื่อใส่น่อท่านจะไม่มีผลตามความประสงค์นอคบรมภพโพธิชัยเจ้ากล่าวว่าเจ้าเป็นสัตว์ที่มีการโดยรมากแล้วด้ยข้าข้าเป็นคนมาบนหาร ถารจะบรลุในอิชชาสมายาเป็นพุทธเจ้าไม่ยคาปีรณยอมตามนั้นในอวิมืรงครพิวก็ทิ้งทีแต่คยากอหักายจะรักษาหักตาเมื่อพระบาราพุทธิัสสาามองสมจ็สิบวรบุรุษไม่ขาดสัมมาสัิจ หรือว่าพระพุทธเจ้าทุกทุกรียญเมือ่อเป็นพระพุทธเจ้าแล้วสามารถจะมีฐานอายุทุกส่วนให้อยู่ได้ที่ขับหนึ่งก็ย่อมเป็ได้เพราะข้างในที่บาดซีแต่ว่าที่องสําเร็จเ็นมหามุนในพระเมตตาเ ช, ช่นใดจะต้องมิทันละพายในลูกาตาทิศปีตามท่านมาลีเรียกว่าพระองค์มีการค่าราชศึกนั้น ยังในเหตุทีฤฤ่องค์สม si เด็จพระพุทธเจ้าวันบริวาสัจจัาสมหมายพรทธเจ้าต้องนิพานระยะอายุส <Wow. S 2> um um ั้นๆเพื่อให้เจ้ากันไปด้วยเหตุผลว่าในสมัยที่องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าบรมวาสัจจัาสมหมายพทธจ้าอยู่ที่ปารวารดีแต่ในองค์สมเด็จพระจุลีเสด็แดงนิต่างๆให้ญาณญาราบเพื่อโทละวัา มต่มาแล้วเข้าเดินใจพระอ น, นันให้คิดถึงในวันนั้นเป็นวันกลางเดนสามองค์เ็พระพูทมีพระท้าทเจ้าะนิดตรงอายุแันขัยว่านับตั้งแต่วันนี้ไปสามเดือนข้างหน้าเราจะนิพพานในระหว่าง น, นางนางนั่งคู่นเดิอนพฤศจิามหาลักอ์ห <c oughs> ลังจากนั้นด้าชีวโคมารพัฒซึ่งเป็นหมอประจาองค์สมเด็จพระพุมีพระทาทเจ้า ทราบข่าวจะจัดการรักษาพระองค์ก็ไม่ยอมให้ธนาคารักษาพระร่างกายของสมเด็จพระรูปายสันดาลก็พุดโฟมตามันดับจนทั้งสร้างเห็นไเลยัดตั้งพร้อมวงเส้นสีคล้ำลงทุบทุบเลยการที่ทำอย่างนี้ก็แสดงว่าองค์สมเด็จพระนเรศวุทธม์รูายสันดาลสัมมาทิฏเจ้าชาติเพียงสาม ว่าชาวกระทำกระระไรเพามชาวนั้งไราะไมวาี่ิสลามีสั่งแสิ่งที่เราทำามใันาสมาธิเจ้ามียุตการนั้นก็จจะต้องนิพพานตามกฎของตันใระบนด้เป็นพุทธบริษัททุกท่านการเทศตอนนี้ก er ็ถือว่าเป็นเทศการตัดอายุแต่ก็ไม่ใช่ตัดอายุแต่งานเนืะ ถ้าจะหอาตายเข้ได้ก็มันลาบากไม่มีพกังพัฒนาสิงไพัฒนาทันจนนั้นแะคนที่มีอายุสั้นสั้นตายว่าคนที่มีอายุยาวมีโอสถและเป็นสมัยถ่านพระเจ้าแกลว่าเป็นเหตุสั้านาธิบาตเป็สัตใ์ถ้าบุคคลใดสร้างอคุิแม่ตามสั้นานาทิบาตเช่นเท่จใดจริตดำคนปรบเภทนี้เกิดมาไม่ทันชั่นจะบล้องแม่ก็ชั่นก็สั้นตาย ทำน้มหว่าทำบาปความาดิบาเปเกี่ยกับมันเห็นหน่อยในใ้ออกมาจะท่อแม่ไม่สีรังจะตายถ่าน้อยลงไปอีกก็เป็นหนุ่มดึงสาวตายน้อยลงไปอีกก็เป็นคนไวการเส้นตายถ้าน้อยที่สุกเกือบจะไม่ทำเลยได้ทำบ้างเป็นการทรมานบ้ามในม่ใส่ใหม่นะักคนประเทศนี้ในยุคทีอายุถ่ายเฉลยเวลาม่อายุถ่ายของคนในยุค80ปี แล้75ปีถ้าว่าบุคคนที่ทำบาปประเภท น, น้อยก็จะมีอายุครบ75ปีบริบูรณ์อม่อาจจะเพิ่มังก็ได้นี่บรรมดาย่อมพุทธวิปัสสนาลายข้าคสาสิตเจ้าประชีวิตเศรษฐกิจลอนเอ้าชีวิตเท่าตนในวันน่าคือทำมากอายุสั้นสอตายทำน้อยร่างกายก็ไมาถึงอายุขายก็ตาย ถ้าทำไม่มากนักชีวนไปนี้ทกแตหน่อยอย่างนี้ก็จะมีอีอีกนานฉันออกคำั่งถ้อยคิจานโดอาศัยเจนดาสัมมาสุตจารชนิสสะดัมมรนดาตั้พุทธบริสัทธ์งหลายว่าทุกคนจะมีเมตตาการณาสองประการเพราะเมตตาเจนนาใ้สองเมตตานี้จะทำให้จัมมันดาชีวิตขุมบุคคลหลาให้มีความสุข แล้วก็ยังมีอายุยืนนานถ้าบุคคลคนใดไม่ทำไม่ทำบาปสานารณบาปเลยบุคคลประเทศนั้นเกิดมาตลอดชีวิตก็ไม่มีรคภัยที่เกิดเดียดเดีย ว, ยว <c oughs> ถ้าทามาสาธารณบาป น, าน้อยไม่มากนะก็ยังมีโรคภัยเดือดเดียนก็ไม่หนักนะชีวิตก็จะไม่สั้นแผ่นดายอารมณ์ดายเพุทธวิสัพเพนัยวันนี้คอรู้สึเกเยื่อเป็นที อาตมารักษานี้นามาในามเป็นมาขอองค์สมเด็จพระินนสีพระากษัตรสัมมาสัมพุทธเจาขอสมควรเวลาขอยุพระธรรมเนาลงส่งไว้เจ้าเถียงสังหีในที่สของพระธรรมนาอาตมาพาไปฐานพระสงฆ์ใน้นศาสนชาสติญาลีทานะทนตา มีพระพุทธเจ้าชนะทำพระเจ้าชนะในสังฆราชนะเป็นสามราการขอเจรดญบรรดาให้บรรดาเจริญพุทธบริษัทสั้นมีตูรารตกสวัสดิ์ที่พระเจ้ามงคลสมบูรณผลผลทำใบเดียวสมเด็จ์พระทุกข์สมบูรณ์บริสุเธิ์สมบูรณ์แล้วสะบรรดาสวกสดิ์สมบูรณ์พระทุก็ะเห็นท่านนั้นในชาติปัจจันมีเกิดอวังก็มีทุกข์ก็มี